ฝังรมต่ออยู่เพื่อให้เป็นส่วนประกอบกานศึกษาปฏิบัติธรรมถ้าได้ยินหลายๆอย่างเราได้จยใยพระสูตรธรรมาจาั ก, กัปปัตตานิสูตรแม้เรายังทำไม่ได้ก็เห็นทิดทางเห็นทิศเห็นทาง เป็นสูตรที่หลีกทิศทางนี้ไม่ได้จักวันหนึง่งเราอาจจะทำได้ก็เป็นไปได้ถ้าเราไม่เคเห็นที่ินทางก็งมมันก็ไม่ชัดเกล็นเสียเว ล, เวลาพระสูตร น, นี้น่าสรรเสริญพระอานนท์ พระพุทธเจ้าแสดงทำเทศนากันนี้อยู่ที่ป่ายสิปนาดมะเรือขลาวันเป็นเทศนากันแรกอานนนยังไม่ได้ปวดเลยตั้งเกือบปีที่ไปตั้งงัดจุยทุกวัน จึงสถาปนาพระศาสนาเกิดที่นั่นให้นนท์มาบวชที่นั่นมีวัดแรกเมื่อบวชแล้วพ่นอโนนก็ได้ตั้งให้เป็นพุทธประทาเมื่อตั้งเป็นพุทธบระทาแล้วเพื่ออะไรเขาะรับผิดชอบว่าต้องรู้เรื่อง ทำที่พระเจ้าทรงแสดงให้หมดถ้าไปรู้เรื่องนี้ไม่รู้เป็นพุทธภากไปทำใหม่เมื่อมีใครมาถามจะได้ไม่ขาดตกปกห้องเก้อเขินจึงศึกษาศึกษาก็กราบทูลพระเจ้าว่า ถ้าพระองค์ไปแสดงธรรมที่ใดอนุนไม่ได้มีโอกาสไปด้วยขอให้มาเล่าให้ฟังด้วยทวงถามตั้งเตือเทศนากันแรกเทศเรื่องอะไรพูดเรื่องอะไรพระเจ้าก็เล่าให้ฟังหมดที่ไหนที่ไหนเป็นอย่างไรอันก็จำเอาใส่ใจ อาจจะไม่มีคอมพิวเตอร์อาจจะไม่มีกระดาษตินสอแต่พราะจำไว้ในหัวใจของพระนริจนมาทำสังขยาทั้งแรกพระเจ้าปรินิพานไปตั้งเจดเดือนพระนรก็ยังแม่นยงจำได้ทั้งหมด ขอทยายพระสูตรต่างๆให้สงฆ์ทั้งหลายได้ฟังมีพระมหากรสปะเป็นประธานในที่นั้นได้มีมาจนเป็นพระสูตรเป็นพระตัยปิดดกที่สมบุ์แบบถ้าธรรมจักรที่เราได้ฟังนันเนี่ยเรามาศึกษาดูก็เป็นความจริง เป็นความเพียงอยู่ในชีวิตเรานี้ขัดแย้งไม่ได้ตัดทิ้งก็ไม่ได้โตเติมก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติโดยตรงไปไออุ่นอยู่ยังมีไออุ่นในธรรมจักถ้าเราศึกษาปฏิบัติมีสติตามหลักที่พระเจ้าทรง ส, งสอนในอริยมรรคมีสติเห็น ของเก่งอันปรริฐทุกสมมติฐานนี้โลดมากมันยังมีอยู่ในชีวิตเหล่านี้เราทำกับจริงเหล่านี้อย่างไรแค่ไหนเพียงไรเวลาเราจเจริญสติเพียงแต่ ม, มันหลงเราก็รู้แล้วทำได้ลวทาแล้ ว, ทำ ล, วทำลงไปแล้วแม้ความหลงยังไม่หมดยังมีอยู่อีกก็ได้ทำแล้วเราได้ทำ ทำแล้วรู้แล้วทุกเรารู้แล้วเหตุได้เกิดทุกเราทําได้แล้วละได้แล้วบางทีก็ถึงขนาดนั้นอาจจะมีอะไรที่เราได้ชนะมาบ้างแล้วหรือไม่ชนะก็เบาบางลงบ้างแล้วย่ยวอมย่อลงได้บ้างแล้วจะเป็นทุกข์เป็นส ม, มุทยัยเป็นนิโรธเป็นมร มักก็ทำในทำอยู่มากแล้วในโลกทำให้แย่งแล้วสมวมุทยก็ละได้บ้างแล้วผลคือมัอนทุกก็รู้แล้วนี่คือทุ ก, กไม่สงสัยนี่คือความไม่ทุกก็ไม่สงสัยแต่ยังทำไม่ได้นี่คือความหลงนี่คือความไม่หลงรู้แล้วเป็นทิศเป็นทางไปแล้ว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 เราก็รู้ว่าโอ้นีตรงนี้เคยผ่านมาแล้วเคยเห็นแล้วเช่นไปท่องเที่ยวไปอินเดียที่ประสูน์ที่สลู่ที่แสดงธรรมที่ปะลินิพานแต่กันเราไม่เคยเห็นพอเราเห็นก็ขยายไปในหัวใจเราเมื่อนูภาพ เป็นจริงขึ้นมาตามรูปที่ปรากฏมีอยู่ในฐานที่ประสูตรในฐานที่ตรัสรูก้ก็มีมนุษภาพทั้งที่นั่นสัมผัสกับพระพุทธธรรมประสงค์ที่นั่นบ้างในสถานที่แสดงธรรมก็ไป สัมผัสตัที่นั่นมโนภาพที่นั่นมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นยังเป็นรูปธรรมที่แสดงธรรมโปรดยศคุรบุตรก็ยังมีอยู่คำนวณอยู่มโนภาพลงดูยศคุรบุตครคงจะเดินมาจากภราษีมาที่นี่ประตูตรงนี้พระเจ้าก็ประทับอยู่ที่นี่ มีจงกรมอยู่ที่นี่ระหว่างที่จงกรมกับประตูอิสิปตน ะ, ะไม่ห่างไกลกันนักในคราวนั้นดัชส์กุลบุตรอาจจะอุทานล่องออกมาที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่เดือดรลอนหนอที่นี่เป็นทุกข์หนอทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินคงได้ยิน ผู้จงก็ตอว่าที่นี่ไ็นมีทุกที่นี่มุ่นหวายมาที่นี้ในข่าวนั้นคงจะเป็นใกล้ลุ่งใช่ไหมไม่ยังไม่สว่างดียศกุลบุตรก็เข้าไปยังมีลูกประธรรมเห็นอยู่แล้วก็ประทับใจในฐานที่ปรินิพาน แล้วก็ไปนั่งอยู่ที่นั่นสัมผัส ด, ดูมโนภาพลองดูเป็นเช่นไรอาจจะมีปิติอาจจะมีปัสทติในไ อ, อุนในสารที่ต่างๆสังเวชนนสถานยังสัมผัสในชีวิตเราทุกวันนี้ ถ้าเราไปอีกขราวหลังเราก็เคยเห็นไปอีกเกบเที่ยวก็เคยเห็นสถานที่นั่นเหมือนเดิมในการปฏิบัติธรรมนี่ก็เช่นกันสิ่งที่เราเคยผ่านมันก็ยอบแข้มแก้่งขึ้นชำนานมากขึ้นที่แรกก็ตั้งใจดูสถานที่ประสูตรดูทุกแกง่ทุกมุม อ่านคำนวณดูไปเที่ยวหลังไม่ต้องคำนวณอะไรจบง่ายๆ่านง่ายๆครับเดี๋ยวก็รู้ได้ง่ายๆไม่ได้คานวณไม่ได้พิสูจน์ไม่ได้หาข้อเปรียบเทียบอะไรที่ตัดสู่ก็ง่ายๆที่แสดงทำก็ง่ายๆที่ปฏิญญาผานก็ง่ายๆ เาจะยืนอยู่ให้คหนเข้าไหว้ซะเราจะยืนอยู่โลภนุกเพราะเราได้ศึกษาแล้วง่ายงาย่จบง่ายๆแต่ถ้าพูดไปใหม่ต้องนอนยังไม่อิ่มดูนูน่นดูนี่ไปถ้เราได้เห็นแล้วก็ ง, ง่ายเห็นความหลงที่แรกก็ไม่ค่อย ง, ง่ายนะเห็นความทุกข์ไม่ค่อย ง, ง่ายเห็นความ ปัญหาเห็นกิเลสปัญหาไม่ค่อยง่ายติดมันเป็นอย่างเหนียวเอยเห็นไปเห็นไปตามหลักลิสัตจีของง่ายขึ้นมันที่จะให้เป็นมันยากแต่ที่ให้มันไม่เป็นให้หลุดมันง่ายง่ายขึ้นแต่ก่อนมันยากในปัญหาในกิเลสกรรมทั้งหลาย ที่เกิดจนชีที่มันมีที่เราเคยเพ่งเลงเคยใส่ใจเคยสมบัติแต่เราเคยทำไปแล้วง่ายขึ้นนิดเดียวลัดนิ้วมือเดียวแค่นี้แค่นี้แค่นี้ภาษาอะไความหลงง่ายนิดเดียวกวมไม่หลงยึ่งใหญ่ภาษาอะไรเหตุให้เกิดความทุกข์ ไม่ยิ่งใหญ่อะไรความไม่หลับไม่เหลือแห่งทุกข์นี่มันง่ายๆมันดูดเหมือนกับแม่เหล็กจะงื้อขึ้นมาสักหน่อยก็ไม่ได้มันดูดไปควมทุกข์มันก็มีความไม่ทุกข์ดูดไปรวมเก็บกามีความไม่เจ็บความแก่ก็มีความไม่แก่ความตายมีความไม่ตายดูดไป จะเอ้ะเอ้นิดหน่อยไม่ได้มันดูดไปทนโนนแมันก็เป็นเช่นนี้ถ้านเราฝึกหัดจึงได้แล้วก็มีโอกาสชํนิชํานานในเรื่องชีวิตของเรานี้มันเป็นเท็จเป็นจริงไม่มีคำถามจนเราไม่สติมีความหลงอย่างนี้ ความหลงมันจะจริงอย่างไรความไม่หลงมันจริงกว่าอย่างนี้มันจะไปข่มขืนให้ตัวเองหลงได้อย่างไงเพราะว่าความถูกความผิดมันเป็นอยู่อย่างนี้เห็นอยู่สัมผัสได้อยู่นี่ใครจะทำให้ตัวเองเป็นทุกข์เป็นโทษได้ต้องป้องกันรักษาจนสุดความสามารถ ในการปฏิบัติธรรมนะี่ยมันเป็นกฎปกรรมขึ้นมาในการใช้ชีวิตของเรามันเป็นเห็นของกริงอันประเสริฐได้พบของกิ่งอันประเสริฐที่มันจะให้ทุกไม่เป็นทุกขที่มันให้โทษไม่มีโทษอันนี้ทื่ว่าประเสริฐ ไม่มีสิ่งในที่ประเสริฐเท่ากับสิ่งเหล่านี้มีความภูมิใจยุบมืว้าัวเองได้สิ่งที่เป็นทุกข์ไม่เป็นทุกข์สิ่งที่ทาไม่โกรธไม่โกรธยุบมืหว้าัวเองได้สิ่งที่เคยเป็นไม่เป็นอีกต่างเก่าพ้นเพรา ะ, ะเดิมอย่างนี้ หลักปฏิบัติมันเป็นอย่างนี้โดยตรงตรงตรงปฏิบัติตรงโตสิ่งที่ระหว่างจิงที่ผิดสิ่งที่ถูกเห็นสิ่งที่ผิดตรงเห็นสิ่งที่ผิดไม่มืดมนในสิ่งที่ผิดตรงโตสิ่งที่ถูกสว่างสวยในสิ่งที่ถูก นี่เรียกว่าปฏิบัติตรงไม่มีอะไรที่ปิดบังถ้ามีสตินะสติไป็ดในกายเป็นทูลเหมือนกับเปิดของที่ค่้มหงายของที่ห่้มเปิดของที่ปิดจุดแสงสว่างขึ้นในที่มืด บอกการหลงทิศหลงทางของผู้หลงเพียงขอในการจเจริญสติหลงที่มันปิดจู่เปิดตรงแล้วเห็นแล้วเห็นไหมมือวางบนเขา่าเห็นลูกเห็นเนื่อมื อ, อยีดไหนถาบใค้ไหม ไม่มีคําถามมืออยู่ที่ไหนตอบได้ไหมตอบได้สิ่งที่เห็นมืนมออยู่ที่เข่านั่นไม่เป็นอะไรนั่นแหละเรียกว่าเปิดของที่ปิดเคยบ้างไหมชีวิตของเรานะพลิกมือขึ้นรู้สึ ก, กยกมือไปรู้สึ ก, กให้รู้อยู่นี่นะให้มันรู้อยู่นี่นานๆลองดู มันจะเกิดอะไรขึ้นเห็นหลงมันหลงไม่ได้ตั้งใจฮีความรู้ขนาที่มันหลงเคยบ้างไหมนี่เรื่องบอกคนหลงเางบอกการหลงเางะแต่คหลงเป็นหลงวันนี้หลงเป็นรู้จะเป็นอย่างไร จะไม่เรียกว่าจุดแสงสว่างขึ้นในที่มืดต้มหลงเป็นของมืดเห็นมันหลงเป็นแสงสว่างต้มหลงเป็นคนหลงเปลี่ยนหลงเป็นไม่หลงเป็นคนที่หลงฐานลูกจากทานในข่าวเดียวกันต่างเก่าได่เปลี่ยนหลงเป็นลูกหนึ่งข้าง น่ยข้างันนมันก็ชำนาญเป็นปริญญาที่แรกก็จะไม่ชำนาญแต่เพียนพยายามยิ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ไม่ใช่สติแต่สติใช่มากเท่าไหร่เป็นศิลปะเหมือนมีดนายช่างเหมือนสิวนายชางเหมือนเลื่อยนายช่าง ทีแรกก็งานไม่ะเอียดเพราะใช้มีอยังไม่ ช, นาน ช, ชํานาญชิ่วไมใช่ไม่ชํานาญฝีมือไม่ชํานาญต้องขีดต้องเขียนเราใช่ไปใช่ไปเครื่องมืออันเก่างานปานี่ขึ้นมันชํานาญสติอันเดียวมันชํานาญขึ้น เป็นยาเป็นปัญญาเป็นปณิยญาอย่างเห็นเชิญตุ่มเขียนไปสั่งธรมรมรจักออกแบบธรมรมจักให้ทำแบบนี้ธรมรมจักเขียนไปอันเราต้องไปกุ้มต้องขีดมือสันสนแล้วดมด้แต่ผู้เทศธรรมญาเราทำเลยแป๊บเดียวเป็นธรรมจักไปเลยนะ นนเพราะะเพราะเขาจบสถาปัตย์จบสถาปัตย์มก็ต่างกันผู้ที่ชำนาญผู้ที่เราเรียนมายัางไปฏิบัติธรรมมันก็มีกว่าชชำนาญได้ปัญญเ ย, ยาติไม่พิเศษเอีเมสูสัตย์สุเรศ ส, สัตยสุปัญญเยยาติลูง่ายง่ายหลงยาก รู้แล้วล่ะไปทันลรู้แล้วล่ะทําได้แล้วง่ายจะให้เป็นหลงเว็ลงยากทาดีได้ง่ายทําชั่วได้ยากข้าชํานชนาญนะถ้าบ้านชำนาญทําชั่วได้ง่ายทําดีได้ยากเช็นความง่งของหอยนอนเนะีะะ่ยเวลามัง่วง ตื่นขึ้นมาลู่ขึ้นมาหนึ่งข้างองเท้าลู่หนึ่งข้างตืนงง่นขึ้นมาทั้งหมดเลยเออแนวร่วมมันก็ได้มันคนระอย่าขี้หน้าอันนี้ไม่ใช่มิดของเราเป็นสิ่งที่ขวงกันยิดพุ่งซ้อนคิดเหมือนไก่เขียนี่ไม่ใช่ตรงแนวเนวอย่างนี้ยกมือใส่ลงไา ว่าว่าลงไปมันบอกทางผิดมันบอกทางให้มันถูกปัญญาญาเเป็นอย่างนี้ไม่ปล่อยตัวเองทิ้งไม่เหมือนปัญญาแบบโลกโลกดอยู่ก็โกรธไม่ดียังโกรธดูอยู่ว่าทุกข์ไม่ดียังทุกข์ถ้าปัญญาญานเนี่ย ไม่ต้องรู้ว่าไม่ดีสัมผัสไดแ้แล้วไม่ใช่รูมันเป็นนั้นเป็นนี่ปัญญาญาทะลุทะลวงไม่ตันไม่เป็นหน้าผาไม่เป็นหังที่มันขึ้นยากเรียบต้อมีสตินะถ้าไม่เรียบ เคเปรียบเทียบอยู่เสมอสติเหมือนไม่กวดไม่กวดผ่านไปที่ไดนที่นั้นก็สาไม่อนิสงส์ทันทียิ่งเรามีสติไปในกายกายไม่อยู่ที่ไหนใครเป็นผูสจ้ผันมันพื้นชลาเราลี่เราเอมไม่ได้ส้ำผัสมันจบปุบ อาจจะไม่ได้ใส่ใจแต่ว่าถ้าเรามีสติปายในกายเนียมันปานีษมากมันเอาไม่ได้มันมีสิ่งจกปลุกลุกลงหลังไม่ได้ถ้าเราลู้ถ้าเรามีสตินะ้ำแล้วก็มีสิ่งที่ทำได้อยู่ไม่ปล่อยทิ้งกะตือตือล้น ให้ความหลงเปลี่ยนหลงทันทีเหมือนเรารับผิดชอบเราปลูกต้นไม้ต้นไม้เป็นเหี่ยวต้องหาโอกาสให้น้ำต้นไม้ทันทีมันจึงจะทันการทันเวลางง้นหลงรู้ทันทีรี่ว่าการงานชอบเงินหลงเปลี่ยนหลงเป็นรูหรือว่าความเพียรชอบงั้นหลง เวียนหลงเป็นรูปด้วยตั้งสติไว้ชอบทั้งหมดแลาชั่วทำดีทำจิตห้บริสุทธิ์ในขาวเดียวกันเพื่อให้เกิดความชอบทั้งหมดจิ้ ช, ชอบผู้ชอบทำชอบการานชอบตั้งสติชอบตั้งใจชอบหมดสุดถึงจุดหมายปลายทางจบทำเลยมันจบ มันหลงจบลงไปแล้วความหลงความทุกข์จบลงไปแล้ ว, ว, ล ว, ลลวถ้ามันมีนะ่ะทำให้จบทาไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ให้วางไม่มีที่ให้อาศัยไม่ให้ค่ายาโคณิจเตโปติณิจโกสลัดคืนไม่มีที่ให้อยู่ไม่ให้หนะใหค่าสหดกนะไอ้ชียดไอ ไม่มีสนุกอะไรเท่ากับละความชั่วทำความดีเป็นรอบเป็นกรรมขอบชีวิตของเราโต ว, วันโตคืนขึ้นมาโต ว, วันโตคืนขึ้นมาเหมือนเราทำงานทำการทำหน้าแปลงใหญ่ถ้าเป็นการปักดำ ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นวันนั้นในที่นั้นวันนี้ที่นั่นครึ่งโคนแะไแล้วคำนวนได้อี ก, อกทีห้าวันก็เสร็จมีใครถามก็บอกได้เหมือนกระเพาะอ่อนเมื่อมีความตัดเกฑนในการงานก่อนที่ทำสังานานะ อนุยังไม่เป็นพระลาหารพระบ า, าคาจะปะให้พระอนุลทําความเพียรเพื่อจะทําสังขายนาถ้าทําสังขายาณาไม่เป็นพระลหารใช่ไม่ได้เหนือพระอนุลรูปเดียวแต่ขาดไม่ได้เป็นพระหู่สูตรพุร่งนู่อะไรมากมางเพื่อสาธยายให้สงผ่องเมื่อมีการสักถามขึ้นมา ไอ้น น, นก็มัน่นใจชั่วโมงสองชั่วโมงผ่านไปแมหมากจบับปะอาจจะถามเป็นไงไอ้นุนเดี๋ยวเดี๋ในที่สุดก็ถัดเวลาลวอีกชั่วโมงอีกสามสิบนาทีนมันก็มีความประทับมีการสัมผัส หนัเหมือนเราทํางานที่มันใกล้จะเสร็จเริ่มหลงผ่านไปเริ่มทุกข์ผ่านไปอะไรชี่มนผ่านไปผ่านไปเอาขึ้นมาไม่ได้เหมือนมุ่นน้ำลายที่งไปเอาขึ้นไม่ได้มั่นก็เป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมทาไมเราจึงไม่ช่วยตัวเองเชือ้อตาเกิดมา สามสิบปีไม่มีใครโศนแบบนี้ปล่อยกายปล่อยใจทิ้งเมื่อหลวงพ่อเทียนมาโศนให้เห็นกายเห็นจิตเห็นมันคิดแต่ก่อนก็มันคิดก็ปล่อยมันคิดไปไม่รู้จักมีสติไม่กลับมาไหลอยู่เช่นนั้น คิดเรื่องนี้โตเรื่องนั่นคิดเรื่องนั่นโตเรื่องนี้น เ, นเป็นทุกข์ไม่รู้จักช่วยตัวเองเป็นความคิดเฉยๆก็มาเป็นทุกข์ได้กินไม่ได้นอนไม่หลับน้ําตาซึมน้ําตาไหลได้คิดถึงความทุกข์มีไม่เคยช่วยไม่เคยดูแลจิตใจของตอนเอง ไม่เคยเห็นจิตไม่เคยเห็นความคิดไม่เคยเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตใจพอหลวงคุเทียนมาบอกเราทําดูก็ตื่เร่าร้อนมากในเรื่องของความคิดที่จะให้เป็นทุกข์เนี่ยไม่ปล่อยทิ้งเด็ดขาดพอรู้จักช่วยตัวเองอย่างนี้เนะี่ยคิดสงสารตัวเองนะ เห็นรูปเห็นนามเนี่ยโอ้ยสามสิบปีไม่รู้จักช่วยตัวเองเลยปล่อยทิ้งมาจนมันเกียนตายมากระตือรือล้นกอกกู้ขึ้นมาโกอกกู้ได้เอาคืนมาได้กายรูปก็เอาคืนมาไม่เฉพาะที่จำเป็น ใจที่เป็นน้าที่มันรู้อะไรได้คืนมาได้ช่วยมันคืนมาในที่มันผิดนี่นได้กระตือล้นตรงนี้ช่วยในเวลามันคิดเนี่ยตัวคิดตัวไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนี่แหละจําเลยหมายเลขหนึ่งกระตือรือร้นตรงนี้เพราะอะไรเป็นเกณฑ์แล้วมีเกณฑ์อยู่เราลู่อยู่เนี่ย ทำไมมันคิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจสนใจมากๆตรงเนี้ยกลับมาได้อันคิดไม่ได้ตั้งใจตั้งใจคิดมาลูยคิดทำไมเวลานี้ไม่ได้มาตั้งใจคิดเรื่องใดมาปฏิบัติมามีสตินั่นเป็นงานอันหนึ่งอยู่เนี่ยแล้วก็เป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมา ส่วนคิดที่ไม่ตั้งใจอันนั่นพิเศษเลละไรล่ะอันคิดที่ตั้งใจคิดเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเวลานี่เราก็มาอยู่นี่แล้วมาโกนผมห่ผมผ้าเหลืองแล้วออกกวดจากเดือนไม่เกี่ยวพ้องด้วยบ้านหรือเดือนแล้วไปคิดเรื่องได้ น่าคิดก็คิดถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คิดถึงศีลของตนเอามือลูบหัวโดนคิดถึงทมของตนที่พึ่งอาศรรยัยได้เป็นเรื่องอลไรขนขวานะหมายเลขหนึ่งคือตัวหลงตัวคิดมันจึงมีคำออกมาตัวชื่ อ, อารมณ์ หมายเลขสองความโกรธหมายเลขสองคำพูดหมายเลขสามกายกระทําหมายเลขสี่จําเลยสุดท้ายคือกายจําเลยที่หนึ่งเหมือนตัวหลงคือความคิดนสนใจเกิดตือล่นแม่นยำชัดเกณฑ์ชำนิชำนานมันก็ไปไม่ได้หรป่เนี่ย เหมือนกับตัดลาดแก้วมันซะมันก็เหี่ยวไปหลายอย่างบางทีเราไม่จะไปสู้กับกินเลยตันหาเลยเอ๋อถาาว่าที่หลงเป็นรูปเนี่ยมันก็มันอ่อนลาบไปบหมดเลยเห็นรูปเห็นนามเห็นนาการเห็นธรรมชาติของรูปของนาม บะทุกปะปเทือนถึงความโกธความโลภความหลงอ่อนลา้าลงไม่มีกำลังที่เลตนาก็อ่อน ล, ล, ล้าลงเราจับมันได้จับหลักมันได้สมุทยัยสังขานตัวหลงตัวคิดปุงปุงแต่งเป็นเหตุพอทําเหตุมันได้มันอ่อนลา้าลง เคยเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้หมากไม้ผลไม้บางต้นถ้าสมมติว่าเราไปเขย่านิดหน่อยหล่นลงบางลูกหล่นลงบางลูกไม่ค่อยหล่นแต่นั่นใจใจเป็นพิเศษบางลูกไม่หล่นหลดไป เคยพูดเช่นังนเขียบหลอดมาเขียบหลอดนึกจากมาเขียบไหมเวลาท่านว่าเอ็นฝีเอามาเขียบหลอดไปฝนเอามาทาฝีแตกดูดออกได้ปัญญานะบางทีมันลบ ก, กดเลยมันใช่ไม่ได้หลวงพ่อเทียนพูดว่าอาการ เกิดตับรากันดับไม่เหลือไม่มีค่าไม่ได้ใช้อีกแล้วมันหลอดแล้วไม่ดูดไม่ซึมไม่มีผลกระทบต่ออะไรแล้วเหมือนลูกปืนบางลูกเขาไม่ออกมันมนอยู่ในที่ที่ลับๆไปอยู่ในระหว่างข้ามเนื้อไม่ไปฝังในเนื้อ ก็ไม่ต้องเผาออกให้มันฝังอยู่ในเนื้อนะันก็มีเคยมีคนถูกปืนรัฐบ า, านด้วยกันมีคนหนุ่มสองคนเล่นปืนเล่นปืนแล้วมันก็ไปถูกกันมันฝังอยู่ข้างในนะไม่ออกเขอเฉลยดูแล้วมันหลอดแล้วมันไม่มีประโยชน์ประเขียบหลอดก็เหมือนกันในชีวิตของเรานี่บางอย่างมันหลอด มันใช่ไหมได้จับอะไรช่ไงก็ไม่ได้ไม่มีประโยชน์ไม่ผลกระทบต่ออะไรทำท่าจะดุจะด่าบากอย่างหนึ่งใจมันอย่างหนึ่งมันใช่ไหมได้ด่าพระด่าเนนตีเดนรเคตีเน ร, เ น, ร, รเ น, นะลงโทษเนี่ยอ <laughs> วันหนึ่งนะขอโล่ให้ฟังสักหน่อย ฝนตกพอมๆกติก็หลังไม่โตให้เนียนท่องหนังสือในกติแล้วก็ไม่ได้คยยินเสียงก็งเงียบลงเงียบลงเงียบลงลวัเงียบลงเงียบลงไม่มีเสียงในกติกเราไปดูไม่เห็นเนนชักรูปเลยแล้วก็ตามไปดูมันเป็นไหนน้องเนียนเนี่ยก็ตามไปยังมีลอยรอยเดินไป ล้มมาขามในปา่าไอ้ต่อยมวยกันอยู่ในล่มตักตักตแล้วก็ไปฉันก็เห็งเงนเรากรกลับมาอยู่กติมาอยู่กติเอกต่อยปกันมาจบซ้ำๆมารังกาบมาอะไรนี่เพราะผมทำผิดครับทําผิดอะไรเพรผมต่อยมวยกันครับเอ้านีนั่นอะไรไปต่อยมวยกันด นี่นี่หละชวนผมอนูนี่นี่ชวนเลยนี่นั่ น, นต่างคนโทษกันทำไงล่ะทีนียทำผิดแล้วให้หลวงพอ่ล อ, งอลองโทษลงโทษอะไรให้เคียนให้ตีตียังไงตีมันก็เจ็บเจ็บปวดทนหนเพราะมันทำผิดแล้วจะให้ตีกี่บาทละ่ะบาทเดียวก็พอเออไม่ดียวไม่ยอดต้นเนิ่มกระซ่แท่นี่อ่ อ, อ น, ออน ไม่เอาตีใบเดียวก็ขาดหามาใหม่หามาสองข้างสามข้างไม่ได้อะไรได้ต้องเอามาดีๆกว่านี้ไปหามาไปทั้งหมดหาไม่เร็วมาหามาหลายคนได้มาดีดอ้านี่ครั้งเดียวนะแหมหลวงตียอฟลงไปเลือดเสียงเลยดีแง โอเนนบางรูปเห็นแผลเขียนลงไปล้มตอเลยใ <laughs> ห้มานี้ตีดิโอตีแล้วทําโทษหรอพยายามองมาทางสังพ่ออาจารย์ไม่ได้ตีเนนเนนทำโทษตัวเองไปทำเพศมันก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าย่าทําสอนไปที่แรกก็ทั้งร้องไห้ทั้งหัวเราะทั้งตีหัวเราะสนุกสนานกันไป เบาอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่งมันโลดไหนโกรธจริงๆไม่โกรธไงบางครั้งก็ขี้โทษลงโทษเป็นอย่างนี้ลงโทษตัวเองก็ไปสมน้ำหน้ามึงแค่นี้มึงโกรธหรือด่าตัวเองเป็นพระแค่นี้เคยเป็นอย่างนี้หรือเป็นเป็นพระได้ไงคนกราบคนไหว นั่งคนกราบคนไหว่ปเปดนั่นแหะไม่ใช่ชำนะอ้างตนเป็นสมณะเป็นคนโน่ไหนเปียกแค่ด่าตัวเองโอ้สนุกนั่นด่าตัวเองเนี่ยสอนตัวเองเนี่ยนั่นก็หน้าเจ็ดสีมันด่าตัวเองไอชาดหมาด่าตัวเองเวลาลุกขึ้นมาที่นอนไม่เรียบร้อยชาดหมา ไม่ใช่เป็นศักดิ์ศรีของราชาสัตว์เราก็ได้จะด่าตัวงยิ่งมันลงนอยู่ยิ่งมันทุกข์อยู่ยิ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาสติป็นอย่งนี้เป็นรักษาทำรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติทําให้ตกไปในที่ชั่วทำย่อมรักษาผู้ประพฤติทธำธอยู่เป็นนิดไม่ปล่อยเที่งแน่นอน นี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่คือความรักตัวเองไม่ปล่อยตัวเองเป็นทุกข์เป็นทุกเมื่อรักตัวเองเป็นคนลักคนอื่นงบแบอันเดียวกันเราเคยหลงเราช่วยตัวเองได้แล้วเห็นคนอื่นหลงก็สงนสารเขาอยากให้เขาไม่หลงขอเป็นเพื่อนเห็นคนอื่นทุกข์เงออกของเราเคยทุกข์ก็อยากจะช่วยคนที่เป็นทุกข์ เป็นเพื่อนไม่วิธีใดวิธีหนึ่งไม่โกรธก็ได้นะไม่ทุก์ก็ได้นะหาวิธีเปลี่ยนไม่ปล่อยกันทิ้งรักทุกสิ่งทุกอย่างยอดลักยิ่งใหญ่คือพระพรุทธเจ้าเป็นยอดนักรักที่สุดในโลกคือธรรมะเราจะไม่ใช้ใค ร, ใค ร, ใครที่ไหน เราเป็นคนคนเดียวกันแท้ๆเคยเจอกันตายกันดุกันใจกันเบียดเบียนกันทันไม้มาช่วยกันดีกว่าอันหลงก็งอบอกว่าไม่หลงก็ได้งานโกรธไม่โกรธก็ได้วันทุกไม่ทุกก็ได้เห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันเก็ไม่เป็นผู้เก็เห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายทําได้ทําได้จริงๆ อาวาที่รู้เนี่ยไปยิ่งใหญ่เห็นไม่เป็นเห็นไม่เป็นเนี่ยชำนิชำนานจากโ น, น่นเนี่ก็มากได้วันนี้นะสมควรนด้